การสอนเป็นแบบวิทยาศาสตร์ก่อนนะเป็นดัมม่แบบดิจิตอลตายมีใครจบคอมพิวเตอร์บ้างไม่จบมึงก็น่าจะรู้นะดิจิตอลคืออะไรครับดิจิตอลคือหลักการของศูนย์หนึ่งใช่ไหมศูนย์คือออฟหนึ่งคือออนมันคือเรื่องของการออนออฟออนออฟทั้หมดศาสาทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นดิจิตอลสายถ้าคุณจบทางไบโอมาเนี่ย ไป จ, จดสถิติมาเนี่ยนสุขยาแนววิทยาศาสตร์นด้านนี้ไอ้อธิบายเรื่องศาสนาครับุณหยิบทูโซนิคคุณต้องหยิบทูที่ชื่อดิจิตอลไฟน์กยกตนะนะัวยอย่างเช่นเออ่คุณเคยจีดกระดาษไหมเขียนกระตุ้นไว้นะแล้วจีดกระดาษอย่างรวดเร็วถ้าคุณจีด เกล็ดได้ความเร็วมากกว่า16ทา่านี่คุณจะเห็นความต่อเนื่องของมันนี่คืขขอต้นฐานการทำ animation ถูกไหมแต่สิ่งต่างๆที่คุณเห็นทั้งหมดเลยแจกันสักอันหนึ่งถามีริงๆแจกันอันเนี้ยคุณว่ามันมีอยู่จริงไหมเนี่ยนี่ก็ไม่มีจริงแล้วก็มีจริงด้วยเพราะมัน on off ทั้หมด ตาง้อของคนเนี่ยม like ันไ็นเท่าเดียวกับเกณฑ์16ภาพแต่กินสิที่คุณเห็นทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งล้านฟานท่าเปอร้วิานั่นออนออฟเลยท่านหนังเรื่องหนึ่งขึ้นอธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากหนังชื่อหนังชื่อ m มทริกซ์ที่หลงเข้าอยู่ในแมทริทั้งหมดที่คุณเห็นนี่คือ m มทริกซ์ตอนจบเนี่ยใสยตาใน้าหนึ่งเนี่ยตอนที่ดีโอ มีโอไดโซดาบำเนี่ยกายภาของนีโอเห็นแบบอออฟแล้วทีอย่างที่คุณเห็นทั้งหมดเป็นโคตรยิ่งทั้งหมดเลยร่างกายของพวกคุณก็เป็น h ีโรนแบบคมถูกปะคุณดูรอคุณดูรอให้ติดยึดอยู่ในแมชชิ่งนี้ติดีึดรอให้คุณยึดกับแมชชิ่งนี้เขาเรียกว่ากีเลสคุณยีดยึดแน่ๆเลยคือคุณยึดแม่โตคุณมีจริงเพ้าะที่น้องคือ่อนออฟ ถ้าณบรร ล, ลุเสดาจอขึพพ้นไปคุณจะมองเห็นทุกอย่างเป็นเกิดดับเกิดดับคุณก็จะเข้าใจชีวิตไอชาเป็นช่วงสัง้นไออย่างขึ้หนหัวอหัวท่าท่านีู้หมดแล้วแต่ท่านรู้อธิบายให้ฟังได้ไงใช่ไเพราะสมัยก่อนมันจะไม่มีดิจิตอลต่ายอธิบายมันมปนยากมากแล้ววันนี้มันมีดิจิตอลทรายนะอธิบายง่ายมากนะ่นี้นะอาจารย์ก็เล่ามัตอนนี้หนนะผู้มีประสบการณ์นั่นเองซึ่ยาจะพิสูจน์เพราะว่าตาผูคุณจะเป็นตาเนื้ออยู่ อุปมาอุปมาเต่าสอนปลาว่าบนบกเป็นยังไงอะครยั่งมีทางเนียวคือต้บูงต้อสูบวิทย์ขึ้นบกสักครั้งหนึ่งต้รู้ออเป็นตั้งซันนะบนบกเป็นเช่นนั้นเองยากเหมือนกันนะวีทคุณนถูกระบบการศึกษาไทยหล่อร้อมมาด้วยวิทยาศาสตร์ง้อมาตลอดเลยวิทยาศาสตร์คุณเรียนเป็นหมอตัวคุณก็น่าจะรู้ว่าสุดท้ายมันกบมดนมีการแอสซูมใช่ไหมเหรอแอสซูมเรอแอซูมอื้อเลย มีหลายอย่างที่หนงอธิบายไม่ได้เล็ดแกรมิวตอนคืออะไรไม่รู้หรือว่าตอนเนี่ยหนูก็ดาเท่าเลยเนี่ยก็ลอกๆอกเนี่ยมีท็อปแบฟฟิซตามโซเดอร์เพลงขึนใช่ไหมหนูก็เดาเดาเอแค่นั้นเองแล้วมึงก็บอกว่า s สอ p นะ p 6 d p ิใช่ไหมเป็นเลของท็อปแบฟฟิซซทั้งนั้นเลยหึงก็เดาเอาแผมถามคือว่าแล้วช่องว่างระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลีย ตรงนี้ช่องว่างนี่คืออะไรเนี่ยเาจะขอไม่ได้นั่นเองขอไม่ได้เพราะว่าสร่งๆถูกมากผู้มึงรู้แค่นี้ไปก่อนแต่เมื่อรู้แค่นี้สามารถสร้างโลหะพวงนี้ได้ใช่ไหมแต่มื่อูันนีม้มันมีอีกสาร์หนึ่งเรื่องดิจิตอลไซเอนสคุณกำลังอยู่ในโลกของแม t ริกซ์วิธีเข้าูิพานก็คือ out of matrix o u ออกมาจาิพาน เมืวานมีวาแล้วนะใช่ครับจะออกสะนิพานออกได้ยังไงโคตรง่ายเลยคุณทำตัวคุณที่เป็นอเวศูนไม่มีออนหัือ่ไม่มีออนก็นิพพานตอบแล้วพาราพูดแค่นี้ผู้เจ้าใจดีมากของนึงเยอะเลยใช่มที่ทานเข้าใ่รายละเอียดนะดูเป็นคนๆนะดูเป็นลายแล้วทำไมให้คูออกมาได้นะ พอพูดเออยอะๆพวกนู้นก็เขียงกูไม่จริงหรออาจารย์อะไรเงี้ยอย่างี้ยช่วยไม่ได้นี่ก็แล้วแต่คนนทางใครทางมันเอามาอันนึงนะเรื่องของความเป็นดิจิตอลสไต์ตรงนี้ <c oughs> อายตันเรื่องเก่งอ่ะผมอยอมรับ ว, ว่อสตันเก่งมากดูภาพนี้นะนี่คือโลกถ้าคุณเดินทางออกโกโลกไม่ยานอากาศนะครับ นรุ่นไหน USS Enterprise ใช like like ่ป่ะเกิดขันป่ะตาเทกอะไอ้ฟ้อกอะนะเฮ้ยานอวกาศของอนาคตส้างแบบนี้เข้าใจงยนาฬิาคุณจะมีหนังเหมือนกันไงเข้าใจง่ายยานคุองเหมือนหนังที่หนังมันกลัวก็กลัวเหมือนหนังกลัวคิดนังสกายสติดป่ายานลำนี้เนี่ยเวลาิ่งเนี่ยหลักการมี M แล้วนยานอกาเนี่ถ้าวิ่งเร็วเกินเนี่ยเช่นเร็วเกินสี่มักสี่มักคือสีเท่าของความเร็วแสงใช่ไหคุณตายคาที่หมดผมยังไม่สามารถร้ามเคื่อบินเวกสีมักได้อัดกับมิสามุห้าเป็นที่สามจุห้ามักแล้วบินูก็จะตายหาคาที่นะมีอุปรรคข้างลางการความรวดเร็วแต่ถ้าคุณวิ่งเร็วขนาดความเร็วสี่หมื่นสามแปดห่นพันเเซ์แม้ทั้งหมดแม่กายเป็นพลังงาน นั่คือมึงตายังน so ั้นในหนเรื่องนี้ใช้คว่าวร์ปิดวือวร์ปะแล้วก็มารวมตัวโมเลกุลใหม่ใช่ไมอันนี้ผิดด้วยอันนี้เกิดอิสตแต่ีอธิบายอย่ดิจินอล่า้ฟังยาโราตรเนี่ยวิ่งไปด้ความเร็วสคุณเชื่อไหมว่า1นึวันตนี้มีค่าเท่ากับสีต ใหญ่สายด้วยนึ่งจัง4หนึ่งวันตรงนี้สอง3 4 4ยสามซีสร้อยีร้อยนหไม่เปลี่ยนละเจ็ก็หเนี้ยเพราะฉะนั้นที่คือที่มาของคำว่าอะไรใช่ไห เทวดาทั้นต่างๆเทดาพวกนี้มีความเลวแส่ถ้าคุณมีสติ ม, มองวิจาเปล่าเห็นเพราะตามคุณมีสติสบุภาพเอเซ็นต์ต้องมอยากเจอเทวดาง่ายนี่เดียวต้าไใช้อะไรดูครับจิตที่คุณ ว, ว่างาคุณต้องเอาออกแม่ิกคุณก็จะสัมผัสพวกเขานะแต่คุณไม่เคยฝึกคุณออกได้ไงใช่ป่ะหนึ่งร้ีตรงนี้ตรงกับชั้นจ่ากลุ่มมหาลาชิกาอันนี้ตรงกับชั้นดาวาดู อันนี้ตรงกับชั้นยาโล อ, อันนี้ตรงกับชั้นอ่จุสิตาอันนี้ก็นิมมาโนระดีอันนี้ก็ปะทะนิมมิตวะสวัสตีเลยขึ้นไปก็เป็นชั้นครม1ุชั้นและอาลูกโซมิก4ีในระหว่าง น, นี้มีชั้นคุมมาประมาณ50ปีพวกนี้จะเป็นชุดสี ม, ม่วงส่วนพวกเราเนี่ยอยู่ชั้นอนินทาวัยเกระจอกมากทุกมึงอ่ะ UV เลยเห็นสีทุกสีง่ายๆอธิบายไวาตรงนี้สีแดงตรงนี้สีม่วงตรนี้สีเขียวนะครับตรนี้สีเหลืองตัวนี้สุ่มแสตรงนี้จะปนกันสองท่านที่แยกเนยาาแสบตรงนี้แดงคือว่าช่านนี้จะสีใดทั้นตรงน้นฟาเราอยู่อินาไวโอเลแค่นี้ในหลักการทางศาสนาพดง่าย พุทธเจ้าเขียนไว้ 2,547 ปีกันเตยพวกคุณไม่เคยพยายามที่จะเข้าไปอ่านมันถูกไหมคุณโง่เลยวิทยาศาสตร์งงๆที่ครูคุณสอนมาแค่เนี้ยถูกไหมันต้องมีวิญยน่ๆต้องมียอญญาณตายยังไงง่ายตง่ายตาะนะคนที่ตายจะไม่สามารถกลับมาบอกอะไรคุณได้เลยเพราะอะไรครับมันมีคนมีังินใจ้ตายไว้ ผู้ชายจะเหมือนไส้ตายเป็นวิศวกรที่าการไฟฟ้าไม่ไส้าตายเลยนอนเ ป, นนปนน็นุ่นพี่นอนพนักงานพนักงาี่แกทุกมากเรื่องหัวเมียผมเลยไปเ ท, เทสเรื่องวิธีฟังที่ข้างเตียงแล้วกบอกพี่เวลาทั้งบนท้างล่างไม่เท่ากันที่ทําบุญเยอะมาขนาดนี้ที่ขึ้นไปเยอะบนฟ้าพี่เมียอีกเพียที่มีเวลาทั้งบนพี่ทําไปทั้งหลายอย่างเร็วเข้าพี่อะไรอย่างพี่ถ้าจิตตกนี่ลงไหนครับจะลงพีอ่อะไรอย่าง พี in mm ่แกทีรตื่นเต้นยิงเหรออัจฉริเอที่มีอีื้อตอนที่อีแกที่จะตามมาเวลาแม่ไม่เท่ากันมือขึ้นไปยังไม่ทันจะกีบบัญชาข้างบนเลยอีแกตามมายังแล้วมีจะทุบคาซากเลยเราตายล้วไม่มีเว้ยมันต้อวงเรื่องการเกิดใหม่หน้าตเกิดตัวตายเงกลัวเกิดใหม่ไม่คิดสว่าเกิดต่อไปจะเป็นอะไรใช่ไหมเนี่ย อีวันนี้ผมไม่ช่อยะหลังนั่งไอ้ช่าลังนั่นกรรมฐานมากขึ้นหน้าขึ้นอีเรื่อยช่าชชาม่จริงเลยเว้ยผมใช้วิธีไงรู้ไหมใช้วิธีหลอกล่อเว้ยไปช่วยพ่อป้ายืนที่นั่งกรรมฐานที่นัได้นะใช้วิธีนี้ดูพร้อมกันมองไปที่ทั้งชัลู่หรืออะไรก็ได้สักที่หนึ่งนะหลวงปู่้วย้วแต่มองไปครับจดออกมาแล้วเห็นลายแล้วก็เอาคู่มาดูกันเข้าใจยัง ถ้าตรงเลยว่าอะไรครับถูกต้องเรื่องต้องเขียนอะไร่งั้นมั่วลองมองดูเมืนอะะนะเรื่องพวกนี้มันลองยากถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นนักพิเศษศาสตร์จริงเนี่ยหัวใจของนักพิเศษาคือหน้าเลยก่อนครับ mm hmm. ต่อถามว่าบาัลลพงก์ขมไม่ขมนึงเกินยังมึสงมเสือพังเข้ามามึอคระสินดาอย่างบาัลลังก์อะ ผมนี่หายเลยเ้าใจไหมทำงานจะรู้ว่าเราเป็นผมแน่ยครับเออมึงไม่รอมึองข้ามอาจารยิดว่าข้ามจารยอารมีอาจารย์มิสระอีกคนนึงชิร า, ราเลยแม็เทมาจบบอกเกอร์ได้ทนญี่ปุ่นเลยแม่เงเก่งหนนะมาเจอหน้าผมที่ที่นะชีหน้าผมปรัชช์ได้ข่าวมมาธรรมะฮัมโมกะ <laughs> มึงรูเลยว่ามีจริงวะใช่ปะ ผมก็บอกจานมันนั่งสมาธิแค oh, hey, ่สีบห้านาทีอ่ะจะบอกได้ไหมมึงไม่มีเวลาเถอะไม่เลิสคุยตายไกลไกลตีมอยู่ไหนตายผมด่าให้ไอสิบนาทีมึงนังไม่ไ้เลยแล้วมึงเะ็นนักเมศาสรได้ไงเมืองปริญญาไม่คืนดูด็อกเตอร์คืนดูเลยใครับมึงไม่ใช่นักทดลองเลยมึงค่เล่นไอพวก็ริยัดมึงอ่ะใช้ยัดมือจนตี๋เลย คุณได้คุณได้ยยาเอกมาจากใครได้จากคนมีคีเลตคนหนึงให้มียาเอกนึงแล้นมึงก็เชื่อมันเป็นพระเจ้ามึงงงมึงก็ให้ยินยังเช่ไครับแต่คุณที่คิดนะคุณได้เอวอาจารย์คนหนึ่งไม่ไหมอยความว่าคุณเก่งนะคุณกับมันงงคิดตรงกันเขาย่งกมันเก่งหรือเปล่าแล้วมันเกงทางไหนแลกนี้มีความเก่งมากมายใช่ครับเยแต่คิดเอะเป็นแค่ปรยัติเท่านั้นยังยังไม่เก็งคุณยังไม่ปฏิบัต คุณจะไม่มีปฏิบัติคุไม่มีสิทธิจารในเรื่องพวกนี้นะผมไม่ฟังด้วยใช่ไหมครับตัวคุณจะลองทำดูเหมือตัวอย่างเช่นนี้แต่งงานแล้วคุณมาเล่าเพมึงแต่งหรือยังวะคุณจะรู้แต่เรื่องอะไรครับมึมีเมียแล้วแตเจ็บเองจะรู้อัจฉริยะกูาองอะไร่ะขอเติมเตอะคับคุณเพจมันต้องลองเนี่ยคุณต้องลองปฏิบัติใช่ไ้มครับ ปฏิบัติถ้าสุดท้ายพอบรลุคุณจะได้จติอะไรครับปฏิเวทปฏิเวทนี่คือปัญญาขั้นสูงซึ่คนคิด say wisdom wisdom นี่คนะือปัญญาเอกนะ wisdom wisdom คือคุณได้ยังปฏิเวทคือการคุณกล า, ายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวิชาชีพนั้นคุณจะรู้อย่างาไงยังเยอะมากนะครับคุณสามารถเลืกที่จะรู้ได้ด้วยนะฮ นี่ือวิสต้แต่สองอย่างนี้ต้องสลับกันนะไปมาพวกเราเดือนต้นนี้เนี่ยนึกปริญาที่แน่นอย่างอานสือเก่งมากไม่เคยได้อ่ปฏิบัติไห้ยังไม่ปฏิบัติเลย <c oughs> มึคจะต้องเลิกคุยเลยใชมเนี่ยล่ยต่างเลิกเป็นอย่างนี้่ของวิทยาศาสตร์ ต, ต่อมานะมาดูภาพนี้ถ้าคุณรับตำนงอ ง, องถูกม จะ แ, แล้วคุณหยิบโทรศัพท์มือถือมาคุยเนี่ยคุณนะ่าไอ้พวกบุเรงนองแม่งชักกระตุกตายไหมตกใจนะมันา็หาว่าเราทำไงครับมึงหยิบก้อนหินขึ้นมาคุยกันเว้ยมึงแม่งเป็นชอบรถหมอผีแล้วคุณรู้ไมว่าโับมือถือสมัยก่อนมันไม่มีใช่ไหมคุณเชื่อเลยไงแม่งโทหากันได้ แต่มันโผลติดใช่ป่ะมึงโทลได้ไงใค่หลักการอะไรเล็กเล็กแค่แนี้เสียดซูดชนท่าเมกาได้ท้าโลกได้จริงเลี้ยมึงผิดเชื่อถ้ามีงว่าม่งจะเห็นใช่ป่ะหลักทังทุกข์ก็เหมือนกันดีดีนะแล้วมต่างสมมติว่านี่คือตัวเสียดซูดอันนี้คือหุงปู่ เดี๋ยวคนที่ปฏิบัติทาเช่นเดียวกันนะครับพอเวกเลกของคุณเนี่ยเข้ามาที่คุณนิ่งๆเนี่ยคุณได้ characteristic c u r e ได้เวกเลกทีเปนซี่ซึ่งคงที่พอสมควรอาจจะมีค่าตรงนี้แลมด้าหนึ่งถูกไหมอาจจะไปกระหัดเลยได้ก็ได้นะศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดูนยูนยิศูนย์มกนนือนี้ หรือส่งตรงนี้ออกไปส่งให้ใครลูกโพรลูกผู้น่าจะดาเนินชามอยู่ใช่ไหมครับถ้าจะเปิดหนึ่งสอเจ็ดหนึ่งสองเลยครับเจ็ดศินย์ศูนย์ศูนย์ซ่งอเลพอได้แค่นี้ที่เราจะเปิดประมาณตีสามครูบาอาจารสายลูกผู้มนอ่างวันตีสามหมุกรบเ่็นปัญหาอะไรไหมง่ายๆผู้ไปวนอวดเลีเนี้ยเดี๋ยวึกกับลผู่จันทาที่เป็นลูกศลูกู้ขาวใช่มครับวันตีสามเวลูกูจะมาสอบอารมณ์ละนะ พวยอย่างนี้มึงไม่กล้านอนเด็ดขาดถ้านนอนมันจะมีมือลุกลับแม่งกระช่าแขนขึ้นมาเคยฮหมคืต้องมา น, นั่งภาวนาภาวนาเสร็จครับเดี๋ยวหลวงปู่เข้ามานอนนิมิตลนะเดี๋ยวมาสอนละเจ้าต้องเลี่ยงความเทียนวันนี้อะไรแกกูก็ขับผมไปเลไไาาเื่อยๆบายเรื่องเล้ยงกายเรื่องขับไปถึงที่จิตเลยเพราะนักปุราการ์ซักผู้คุโรหิตลอดเรื่องนีเง้เรื่องธรรมดานะมันคือเรื่องอะไรคะัเรื่องของอะไรคร แต่สมองพวกคุณน่นะวันนี้เนี่ยแม่กระจากระจายอย่างนี้เลยเนี่ยว่ามีจะส่งให้ไทยก็เยมันะส่งไทยอย่างนึงนี่งตู้สงมาเพื่อเงรู้เปล่านะข้างในแม่งไอะไรย่้แล้วไม่คงที่บางวันมันก็แตกแลมด้าสองมก็แตเ่ยเอสเึต้อึกน่ตองึกตรงนี้นะอย่าอย่าปล่อยให้วิยาตาของตันตกไม่ลากคุณไปจนลงรบทุกมันถอนตัวมานี่ นั่งงอสาตะวันออกว่อย่าหลงเลยนะครับลองฝึกลองก็ฆ่าลองฝึกตาสนาคือเป็นศาสาของขยันนะงคนใจถึงไอ้พกหยอแย่ที่แย่แม่งจะเด็กเล่าต่อไอ้อมเลยสวยเอ้ยอืมอ๋อฝันมีสแบบฝันก็คือแม่รีบขึ้นมาแม่ยน้นมาเดบกมากเกิน ถ้าเอ็ง่กินี้อเย็นไงมึงกินมากมึงแม่คิดมากปวดแล้วมึงดูหนังมากมึงดูหนังแบบขึ้นฉาก็าสดเดี๋ยวมึงเอาเรียบร้อยแล้วเข้าเกมแล้วไอ้ตุงนี้มั่วมันตุ้พั่วต้องแยกให้ออกเรือจิตหลอกจิตคุณทดสอบได้เละก็คือใช้โทรศัพท์จริงโทรหาลูกแล้วโเข้าฝันของะึรก็เออ ง่ายๆเลยไม่ต้องทีนะนนนทีอ น, อะนี้เรื่องที่มปูกมาเตินอะไรได้เรื่องธรรมดาฮะถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วนะนั้นศึดนั้นศกมเนี่ยมันก็เหมือนทำเล ย, เยนี่ออกไปไหนเชั่นคุณจะต้องมีโค้ชคุณต้องหาครูบาอาจารย์ซึเ่เจ๋งๆที่โชคร้ายของนระยองทีส่สุดตกอยู่ในจังหวัดซื่อแม่งหายากอืมเข็ดเดปรอดูรูทีมีนะคุณ้ด่น ว้ดท่าประชุมไมได้ถูกไหมยิ่งหนอพ่อที่มาจันก็โอเคแต่นงจากคนขึ้นท่านเยอะเดี๋ยวเวลาผมเซฟช่วยหน่อยคุณอาจารย์กรี๊ดแบบเจ๋งๆเนี่ยซ่อนตัวอยู่ต้องค่อยๆหาค่อยๆแค่์ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวผมสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวจะค่อยเริ่มเซฟให้ไม่ใช่เวลาคือผมไม่เปิดมือถือแล้วสแกนเท่ั้แล้วเจอท่านติดเครื่องกูก็ไม่รู้นะคนที่มันโสดงูหนูอะไรพยายาม นะเรื่อมั้ยอาจจะต้องไปไปวัดแบบที่เทวินนิดนึงวัดนะนะกองดินใช่มีศิษย์ p o s b l e ใช่มต้องมาแบบนั้นคุณถึงจะเจอและคือาการที่เก่งๆก็เริ่มไหนพอมาท่านจะสอนเก่งแล้วริวะใช่หานแชรหรือ top t u t y ที่คุณจะเคูเก่งด้วยสอนเก่งด้วยคนยากแล้วถ้าเก่งด้วยสอนเก่งด้วย ึงมือพวกมง่ายๆรอใช่ไหมเห็นเราะว่้อเต็มเลยทีนี้ที่นี้แบบนี้ดีท่านก็คคิดฮะแต่ยังขอให้พวกไอ้พวกแข่งคอยเปนเะนะแ่ใช่ไหมแข่คอยก็มีหลวงที่หลวงองขึ้นถ้าเป็นคนปูนซีเมนก่อนท่านก็บรรลุธรรม ท, ท่านเจ๋งๆแล้วเนี่ยท่านกลับมาช่วยสอ น, นเราในอย่างเงี้ยได้เปี่ยบหรือแม่ก็ส่ขอนแก่เลยขับจากแข่งคอยขึ้นไปอนแก่มแกไม่ไกลนะฮะก็มีก็โชคดีไปนะ อ่ะพอดีทีนะเราเล่นมือถือรีบิงแล้วนะทำายเนี่นนาายมึงต้อ ง, องใใร่างกายเราเนี่ยนะร่างกายของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของออนอ่อฟศูนย์หนึ่งเลยตรงกลางมีจิตอยู่ดวง น, นึงจิตตัวนี้เป็นนามมาทำหัวข้อพุธท่าทนบอกว่าอุปมาเป็น CD-ROM ที่สั่งของพ่อพุทธ น, น, นว่นาตาการวัรโาชโาชว่ะมันัแ่งอยระองเนี่ยนะอนูอรโรคของหนงโคโคตรบเลยระยองจับเลยนะถนนวิ่งอยู่ระยอ ง, องเพิ่มแอ่โรกออกเนื้อตร ง, งกลางตรงกลางง่ายอยู่มาแต่นซีดีร็อคนะครับลูบซีดีรอคตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าจิตโดนแท้ มันเป็นความว่างมันคือศีลโลมันคือนิพพานล้วทานเกิดมีคถามถว่านิพพานอยู่ไหนอยู่ไหนครับประชาชนพวกคุณยังไม่เคยหาทางเจาะเข้าไปเลยคุณจะเจาะเข้าไปไม่เจอส่วนตรงนี้รอบนอกที่เห็นเป็นเนื้องนี้นะอันนี้เนื้อซีดีลมมั น, น, นเป็นที่บันทึกเป็นที่บันทึก ถ้านี้เป็นซีดีประเภท like. รีดไว้์ A W รู้จักป่ะรีดไลท์อ่านก็ได้รีดก็ได้แต่เนื่องจากของคุณยังผลิตกรรมยังไม่ถึงที่ของคุณเป็นซีดีรมแบบลี <c oughs> ไม่สามารถรี้ได้ที่ท่านคิดจะไม่มีสายรุ่นนี้เข <c oughs> ียนเท่านั้นข้ามอ่านก็เจอแล้วนะนี่คือพวกคุณเนี่ยพุณจะไม่สึก ถึงไปถึงขัข้นที่เ้าไปอ่านพีริลตรงนี cheers, so urgency, fire, so ้คุณยังหาชาติก่อนตัวคุณก็ยไม่เจอคุณยังไม่ยังไม่มีฝีมือพอเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยว้องค่อยสแนะนะครับตัวนี้จะบันทึกอะไรครับบันทึกบวกศูนย์ลบบวกคลลบคืออกุ่างๆก็คือที่เป็นกลางหรือที่เป็นนิพพานเป็นความว่างที่คุณบริเนที่เขาบันทึกกัน มาบุญคุณพ่อทั้งหมดเนี่ยเขาจบตรงนี้เป็นแสนแสนแสนแสนชาตินะครับซึ่งคนคิดเขาก็เก่งนะก็คุณจะทําตัวที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้ารู้ว่าคุณทำดีทําชั่วที่จะตกคนพุดธคืออะไรครับมันอยู่ที่ไหนฮนะหนี ไ, งไงม่พ้นไม่ไรนุ่มก็หนีไม่พ้นดังนั้นผมถามคุณว่าการอนุชาติก่อนในแงไงของวิทยาศาสตร์คืออะไรถ้าอยู่แบบนี้นคุณก็เข้าทำอะไรครับเออคุณก็ไปรีสตตรงนี้ คุณเข้าไปรีดไฟทั้งหมดเลยเดี๋ยวคุณจะรู้ชาตก่อนคุณเป็นใครเพราะว่าแต่บางครั้งการหมุนของตรงนี้เนี่ยค่า x ไม่เท่ากันใช่ไหมเจ้ามันหมุนห้าสิบ x เดี๋ยวคุณสิบ x อ่านติดบ้างไม่ติดบ้างใช่ไหมเคยเคยเคยเคยเดินโน้ตเดินนะใช่ไหมบิดเดินไม่เท่ากันคุณเสร็จแล้วีกว่าปีน้คุณจะดีพอที่จะนิ่งพออ่านได้ทุกเล็กอนุของที่อยู่ตรงนี้และคุณเข้าไปรีดไฟตรงนี้ แต่การรีสตายเข้าไปรีสตายในขั้นสุขานของการเข้อรีพานไหมคุณแค่เข้าไปอ่านแต่คุณยังไม่ทำตัวคุณยังศูนย์ขนข้อรีสานจะมีลักษณะนบนแบบนี้ตัวนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็คำเทศบอกลบาว่าผมว่าผมว่าผสท้วก็ทาจิตเขมาว่างๆศูนย์ศูเย์ศู น, น, น, น, น, นย์ศนย์ศนย์ศยรวัว ของสาวไม่หายเลยนะาวบอกว่าไงนะบอกว่าดสุครอบตั๊บว่าอ่านแน่นเงง่นคือเออเออโคสเรว่าอบอร์ดตอนตอนตอนตอนแอโ Can สแคนนตัว่าอ่านเจตข้างนอกศูตรงกลางศูนย์มูิิผ่านลดาบันขั้นต่ข้าใจย่าง e a ไ y l i g h t นี่านาพุมนผ่านแค่นี้เองพูดง่าย อั้งหี่จะสืเพียแ่ยี่ิบไรได้นานๆจะมีคนอย่างนี้มาขอรหัสให้เราเว้ยมหเรื่องตาแล้วว้ยตายแล้วเว้ยเครับตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้หลวงปู่มั่นเรียกว่าจิตรวมพลัตาก็เป็นศูนย์หัวอ่านเลิกเลิกมันทึกเลิกมันทุกย่าทั้งหมดครับกรรมเป็นการอยู่ตรงนี้อโหจิกรรมทั้งหมด ถึงจะเป็นผู้ล้ายค่าคนเมื่อวานนี้วันนี้คุณทำจิตได้งม่ครบอย่างนี้คุณก็เท่านิฐานไม่เกี่ยวเว้ยเพราะวันไมเข้าใจไหมอีกทีนะถ้าตรงนี้เอามาเพราะเป็นฟ้าซีคือแปนของไทม์นะครับนี่คือสภาพของจิตอันนี้ส่วนบวกอันนี้คือลบเขาก็จะไล่คุณไปตั้แต่อันนี้ล่าถึงสมาร์ทไปว่าอะไร คุณที่เก็บเขียนเยอะนะอันนี้ยาวนะคุณเกิดมาเป็นแสนแสนชาตินะเขาพูดแล้วมันพูดอีกมันพิดแล้วมันพูอีกต่อมาคุณลงมาเกิดคุณจะเชื่อม่าคุณเกิดนะครับพอคุณเกิดปั๊บเหตุการณ์มีรเหตุการณ์เกิดขึ้นจิตคุณเปนหนักผ้สนเรืง่ายเลยนะแดกลมแม่ แม่ม่ให้กินจริงเวลายสิลแล้วต่อมาเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือนี้แม่บวกวิชาเข้าตอหนึ่งกันอ่ะติดลบไม่อยากไปงนุสือมึงลบแล้วถูกไหมยายพตาไปทำบุญใส่บาทมึงรู้ขั้แรกว่าอ๋อการให้เป็นสุขนะแกรอ่ะมึงได้บวกไปหน่อยนึงงายยายโชคดีถูกต่อมาพ่อแม่มึงแม่บีบมึงให้ต้องบวกวิชาเข้าเตรมมด มึงก็ลบอีกอะต่อมามึงเอนติดคณะเพ้่ชโคตทั่วเลยเพื่อนขอมึงไม่ชอบแต่เพื่อนปูงบีมามึงคุนเข้าวิศวะมึงชอบนะอยู่คณะมึงไม่ชอบแต่มึงเกิดเรียนจบจนได้นี่คือความสามารถของมึงแต่ว่ามึงติดลบต่อมาอะไรอีกสมัครงานเลือกไม่ได้ตกนยิ่งชายบายิ่งเยอะข้าวารแอลกอฮอล์เอจล ี่โง่โง่แม่งสอนนุ้ให้กินเหล้ามึงก็เสเชื่อมันคุว่านุ้มเสพเชื่อมันว่าการกินเหล้าเป็นความเท่ของ้มผู้ชายไอตอนนะนุ้มไม่ต้องไม่ศ <tim. S 1> ึกษาให้รอบคอบนมใจร้อนมก็เจ้หีแล้วุ้มก็ต้องรมว่าพี่ๆนุมที่แดกเหล้าไม่จุดจบแม่นคืออะไรนุ้ก็ไปดูใช่ไหมพี่โง่โง่แม่งก็มาเจรักน้องจับแบกเหล้าแล้วก็ขึ้นภูกันมาปีหนึงอะคุว่าถ้ามึงได้อะไรขึ้นมาใชุ่้ตายเลย เพราะว่าเมื่อทํางงโง่ๆถูกไหมเมื่อวิสามารวมคอร์รัชชันเรื่องชิมหาในข้างแดกถนนแดดตึกอะไรย่งนี้ดไมู่ที่มื่อวันด้นเาไิดคนใช่ครับตขาไม่รู้คุณใช้อังเภอใจมาตลอดใช่าหคุณทาเจวิหุมือสนมือเงี้ช่างหรือยังอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์หิมหอะไรจึงกับพิธีเชิญพระมาสวดที่วัดมึงหนีไปทั้งคณะอาจารย์เขาก็ถวดยออกไมใช่ไพระมก็หนีอีกแต่มาเม่ได้งานทำถูก มถูกกดดันมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเจอปัญหานี่อะไรมึงก็เลยมาบาเลือกเปนตัข้อทำงานเรียนเก่งมาตลอดไม่เคยได้เชื่อไม่เคยได้เล่นถูกกดดันตลอดจนระเบิดได้กอะไรครับแานสาวตาฟิตตัวเองนะอลิชคนอื่นมึงเล่นคาไมเชื่อแล้วมึงเล่นแบบเล่าม่ยันใจมึงเ่นมาแล้วใช่ไมมึทำผู้หญิงอกหับมึงซ้ำกันมึงตียเรื่องแล้วมาอยู่ริมทะเลจึงใต้สะมตกปลาอะไรยังมองก็มีอีกยกตัว่ไย อยู่มากตาทุ๊บภายใต้รรากาศถุงเขาของเะเลและแม่น้ำเย็นๆเกลียฝ้าบสูต่อไม่มีหาอะไรทำแด่เล่ากันต่อเอาละไปมึงหนุ่มเลีงอะตรผมว่าใครจะว่าเายปเลยสมมติแม่เมืตายหาตอนนั่นแด่ล่ากัอยู่ตรงนี้กฎแห่งกรรมดูนะอาจารจะสอนเรื่องกฎ่งกรรมกฎแห่งกรรมสามารถเขียนเป็นโปรซีเจอร์ได้ ยุ่งกับฟาโชไฟาโชก็คือโฟชาร์อะไรว่าที่เ็นทำไม้เหรอฟาชโชไม่่เพราะเป็นโฟชาร์การที่เกิดยัการวุ่อใชยอย่างนี้ใช่ไหมอีฟที่หนึ่งอีฟมีทลุกรรมไหมมีเฮฟมีกรรม โลอับเคุณทำมีอะไรบ้างคุณเคย่าพระอรหนยังยังฆ่าพรไม่ใช่ยังยังในแงกของยังชีวิตนไม่เคยเจอพระคิดว่าตัวตายเท่าไหร่เช็นโชคดีเลยจ้ะอายเกไม่มีบลนอนหรูดนี้คือถ้ามีด้วยนะมีอะไรเกิดขึ้นตอนี้ก็ไม่สนเลยนะ ระบบศาสนาพึ่เวลาคิดตัวเ็งกรรมแล้วดูต่อแล้วหนึ่งและ e อีฟที่หนึ่งาเช็คอีฟสอง